สิกขาบทวิพัง445คำว่าก็ใดคือผู้ใดผู้เช่นใดนี้ที่พระผู้มีพระภาคตรัสว่าก็ใดคําว่าภิกษุมีอธิบายว่าชื่อว่าภิกษุเพราะเป็นผู้ขอนี้ที่พระผู้มีพระภาคทรงประสงค์เอาว่าภิกษุในความหมายนี้คาว่าทุกกึอกเดือนคือทุกวันอุโบสถคาว่าเมื่อภิกษุยกปฏิโมขึ้นแสดงอยู่คือเมื่อภิกษุกาลังแสดงปฏิโม คำว่ากล่าวอย่างนี้ความว่าภิกษุประพฤติไม่สมควรแล้วตั้งใจอยู่ว่าขอภิกษุทั้งหลายจงทราบว่าพวกเราต้องอบัติเพราะความไม่รู้เมื่อภิกษุยกปฏิโมขึ้นแสดงอยู่ก็กล่าวอย่างนี้ว่ากระผมเพิ่งทราบเดียวนี้เองว่าทราบว่าทําแม้นี้มาในพระสูตรอยู่ในพระสูตรมีการยกขึ้นแสดงทุกเกือกเดือนต้องอบัติทุกกฎถ้าภิกษุเหล่าอื่นจําภิกษุผู้ประสงค์จะทําให้หลงนั้นได้ว่า เมื่อภิกษุยกปฏิโมกข์ขึ้นแสดงอยู่ภิกษุนี้เคยนั่งอยู่2ถึงสมครั้งมาแล้วไม่จำเป็นต้องกล่าวถึงมากครั้งยิ่งกว่าภิกษุนั้นย่อมไม่พ้นเพราะความไม่รู้ภิกษุนั้นต้องอาบัตใดเพราะประพฤติไม่เหมาะสมนั้นพึงปรับอาบัตนั้นตามธรรมและพึงยกโมหาโรปนกรรมขึ้นมาปรับเพิ่มให้ยิ่งขึ้นไปอีกภิกษุทั้งหลายพึงยกโมหาโรปนกรรมขึ้นปรับอย่างนี้คือ ภิกษุผู้ฉลาดสามารถพึงประกาศให้สงทราบด้วยยติทุติยกรรมวาจาว่า